เรจะรู้ได้ไงว่าเรารู้แล้วอันนี้จะรู้นี่นะจะตอบแบบกำบันทุบดินเก็รู้ว่างงรู้ว่าสงสัยปัญหาตรงนี้เนะนะบางทีเรายังตอบเองไม่ได้ตกลงว่าจริงแล้วไม่จริงใช่หรือไม่ใช่รู้แล้วไม่รู้อย่างนี้นะแล้วตอนนี้ยังหาคนมาตอบให้เราไม่ได้รู้ไปเลยว่าตอนนี้กําลังสงสัยกําลังว้าวุ่นเป็นวัยรุ่นว้าวุ่นใจเราเดินไปยังไงค่ะว่าเราเป็นว่าเรารู้ว่าเราเดิน ถ้ารู้ว่าเดินรู้ว่ากายเดินนะคือจิตรู้กายจิตรู้กายเนี่ยถ้าประคองเพ่งเอาไว้กายเป็นสมถะถ้ารู้กายเดินโดยที่มีจิตรู้อยู่เห็นกายมันเดินเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งตอนนี้มีสติเห็นกายเดินพร้อมกับมีปัญญาด้วยมันแยกแยกว่ากายเป็นสิ่งหนึ่งจิตเป็นสิ่งหนึ่งตอนนี้ถ้าเรียกให้รู้นะ เรียกให้รู้หน่อยเรียกว่ามีการแยกขันกลายเป็นขันหนึ่งไอ้ตัวที่รู้อยู่นี่อีกขันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณขันมันแยกขันตอนนี้เด่นออกมาสองขันอย่างเงี้ยท่านบอกให้ฝึกทุกวันนาทีฝึกเฝึกมองตัวเองฝึกเจริญสติฝึกเจริญสติก็คือเริ่มต้นถ้าไม่รู้จะทำอะไรสวดมนต์ กราบพระสวดมนต์ตอนกราบพระสวดมนต์เนี่ยอาทีแรกจะไม่รู้ไม่มีสติเลยแต่รับคำสั่งมาแล้วสมาทานไปแล้วต้องทำานี่นะกราบพระครั้งแรกไม่รู้ตัวเลยกราบครั้งที่2ไม่รู้ตัวพอจะกราบได้เฮ้ยเริ่มรู้เห็นกายมันมันมีการเคลื่อนไหวมีอยู่ในท่า น, นี้ตอนนี้กำลังรู้กายเอาละเปิดหนังสือสวดมนต์ หิบไปตอนหยิบหนังสือก็ไม่รู้เลยว่ามือมันเคลื่อนไปใจอยากได้แล้วไม่รู้เรื่องเลยสวดมนต์ไปอะไรฮังซัมมาสัมบโบโตพระกวาปากก็เปล่าเปลไปใจไปอยู่กับตัวหนังสือเลยไม่อยู่กับเรื่องราวเลยพอสว ด, สวดไปเห็นจิตมันเผลอไปพอสวดถ้าคนสวดไม่คล่องนะยิ่งดี <c oughs> คนสวดไม่คล่องยิ่งดีเพราะว่าต้องคอยอ่านหนังสือแล้วใจมาจดจ่อแล้วก็เผลอไปใจมาจดจ่อแล้วเผลอไปกลายเป็นเห็นว่าเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ต้องมา ใจมันต้องผูกพันว่าจะต้องมาอยู่ที่ตัวหนังสือเพราะถ้าไม่อ่านหนังสือมันสวดไม่ได้เนี่ยนะก็เผลอไปบ้างมาเพ่งไปนี้บ้างเผลอไปบ้างเพ่งไปนี้บ้างสักแวบหนึ่งมันจะเห็นว่าเออเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้ไหลมาตอนนี้เผลอไปตอนนี้ไหลมาเห็นเผลอไปใช้ได้เห็นไหลมาก็ใช้ได้แต่ตอนไหลมาแล้วไม่รู้อย่างใช้ไม่ได้แต่อศายอาการอย่างเงี้ยพอใจเรามาอยู่ในรูปแบบ เราพากายพาใจมันอยู่ในรูปแบบเนี่นะมันมันคอยอะไร aring, เหมือนเป็นเครื่องเตือนว่าเราจะต้องเจริญสตินะเราจะต้องรู้ตัวนะแต่ถ้าเราเดินช้อปปิ้งนะีมันไม่มีอะไรคอยเตือนว่าฉันจะต้องรู้ตัวแต่ตอนที่อยู่ในรูปแบบเนี่ยจะมีเครื่องเตือนอยู่หน้าพุทธรูปมีบทสวดมนต์ตอนนี้เราทํารูปแบบเหมือนกับว่าสิ่งเราเนี่ยจะเป็นเครื่องเตือนว่าคอยรู้ตัวนะคอยรู้ตัวนะมันจะรู้ ต, ตัวตอนไหนก็ช่าง จะรู <ítulo> ้ตอนที <displayed, S 2> ่มันหลายอยู่กับตัวหนังสือก็รู้ทันก็โอเครู้ทันตอนมันหลายไปก็โอเครู้ทันรู้ทันความทรมานก็หน้าเบื่อมากเลยก็รู้ทันความความเบื่อความเบื่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของโทสะทำทั้งทั้งที่ฝืนใจทํานั่นแหละทำไปเห็นความเบื่อเห็นความเซ็งทําไปทําไป สวดอะไรก็ไม่รู้บทอะไรภาษาบาลีสวดยากมากเลยลำคาญใจรู้ทันความลำคาญใจทํำอะไรเงี้ยนะแล้วก็สวดจบโล่งใจโล่งใจรู้ทันความโล่งใจเอาละจ่านจะดูลมหายใจสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยดูทีแรกก็เห็นกายเฉยเฉยเห็นมั่งเพิ่มั่งตอนเพิ่ไม่รู้ตัว